ตอนนี้ไปหลวงพ่อจะได้กล่าวอะไรคณะสัตยาติโยมฟังพอรบมือเช้าเนี่ยหลวงพ่อก็ได้พูดแล้วว่าวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลวันนี้เป็นวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2559พวกเราเพิ่งทำกิจกรรมฝังลูกนิมิตเรียวฝังเสาหลัก หลักวิสุงขามสิมาท่านนายอำเภอเป็นประธานได้กล่าวรายงานต่อคณะสงฆ์คณะสงฆ์ก็ได้รับรู้รับทราบโดยทั่วนหน้ากันเป็นจักขีพยาน ร, ร่วมกันว่าตรงนี้เป็นสถานที่พระพระชาระชาทานวิสุงขามสิมาถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองถูกต้อง ทำเป็นกิจกรรมหรือสังฆกรรมของพระสงฆ์ได้พึงจบ ส, สิ้นลงไปก็ได้มีการทําพิธีตัดไหวลูกนิมิตต้วยทําพิธีให้ครบบริบูรณ์ทุกอย่างนะแต่ท่านอาจารย์จำรัดท่านอาจารย์พ่อครูจะอาอาเภอคำชี้ท่านบอกว่าให้หลวงพ่อเป็นประธานตัดลุกนิมิตลูกที่นึง พร้อมกับคณะสัตย า, า, า ญ, ญาติชมในท้องถิ่นทั้งหมดทั้งท่านอาดีตสอวอด้วยทั้งท น, นายอำเภอด้วยหัวหน้าส่วนราชการพี่น้องประชาชนทุกหมเหล่าอยากจะให้หลวงพ่อตัดลูกนิมิตลูกที่หนึ่งเป็นตัวแทนนะลูกที่สองที่สที่สี่มีอยู่สลูกด้วยกันแต่ลูกที่หนึ่งะแปลว่าเป็นลูกลูกรวมรวมกันทั้งหมดก็จะให้หลวงพ่อเป็น เป็นประธานในการตัดหลวงพ่อรับทราบนะหลวงพ่อก็เลยยกให้ท่านสวจิตเป็นผู้ตัดเป็นผู้เป็นตัวแทนของหลวงพ่อพอหลวงพ่ออายุมากแล้วนะอาอยุมากแล้วบางอาจบางทีอาจจะตัดโลกนิมิตไปขาดก็ได้นะเ<หร>พรพอตัดแล้วตัดอีกตัดแล้วตัดอีกพราหมดหมดแรงใช่ไหมล่ะ เพรหลวงพ่ออายุ71็ดสิบเปีหมดแรงลูกหลานทั้งหลายก็คงจะบางคนอาจจะขว้างหูขว้างตาขวางใจก็ได้หลวงพ่ออินอายุมากแล้วก็รู้อยู่แล้วตัวเองอายุมากก็ไม่น่าจะตัดลูกนิ้มิดขาดก็รู้อยู่แล้วทําไมไปให้คนอื่นตัดแทนก็ได้ว่าอย่างนั้นเองนะบางทีอาจจะพูดอาจจะคิดอย่างงั้นก็ได้เพราะนั้นหลวงพออ่อเออเอาให้ท่านสวจิตนี่แหละยังมีกําลังแข็งแรงอยู่ เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนทั้งเป็นตัวแทน ท, ท, าทางโลกมาแล้วท่านเป็นสวมาแล้ว 6, นะตั้งหกปีกับพึ่งเกษียณแล้วก็ได้มาทำหน้าที่การงานอย่างอื่นอีกนะทีนี้หลวงพ่อมานึกย้อนหลังสมัยขังพุทธการมีนายตาักตาเลิศหนวดแดง ฟังๆใ น, ในๆตาเหลือดหนดแดงลุงพ่อจะเล่าเป็นนิทานให้คณะทศไทยญาติโยมลูกหลานฟังบางคนก็ถามว่าทําบุญแทนบาปได้ไหมเมื่อทําบุญแล้วจะแทนบาปได้ไหมทําบาปแทนบุญได้ไหมทําบุญแทนบาปได้ไหมคนก็มีคนถามกันแต่ลุงพ่อก็บอกว่าอืถ้าหากว่าทําบุญมากนะถ้าหากว่าทําบุญมากมันก็ล้างบาป ล้างบาปได้เหมือนกันนะทำบุญล้างบาปนะแต่ถ้าว่ามันทําน้อยมันก็คงจะล้างไม่ได้แล้วก็หลวงพ่อจะมาพูดเกี่ยวกับนี่แหล ะ, ะการตัดลูกนิมิตเนี่ยจนเขาลาคาญจนเขาปดออกจากตําแหน่งว่างั้นแหละตัดที่ครึ่งตัดตั ด, ต ด, ตดอย่างที่ตัดไหวลูกนิมิตนี่แหละหลวงพ่อจะพูดให้คณะทศไทยญาติโยมฟังน ะ, เ, ะเราพูดเป็นนิทานย่นยออ่อคือสมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กรุงราชตะเคือนะคือพระเจ้าอาชาติศัตรูเป็นพระเจ้าแผ่นดินในกรุงราชตะเคือนะต่อมามีในกรุงราชตะเคนะั้นก็มีโจนกลรมโจนห0าร้อยมานะคุณสมัยก่อนเนี่ยจุ่มเขาว่าโจนกือโจนห้าร้อยเลยนะในโจร500หนึ่งบรรจุในระหว่างเมืองต่อเมืองอย่างกรุงสาวรถีต่อกรุงราชตะเค อ, อย่างนั้นระหว่างลงทนะางว่าพ่อค้าขวัญหรือพ่อค้า เล่หรือพ่อค้าอะไรก็ตามถ้าผ่านเข้าไปนี่ยถ้าว่าไปเจอโจร500รแล้วก็ป้นอะไรอย่านั้นดเด็กป่นแย่งสิ่งของอถ้าว่ายอมแล้วกัปล่อยไปถ้าไม่ยอมกับไปว่าฆ่าทิ้งสู้กันอ่างั้นดเด็กอันนี้ก็คือโจรห้0ร้อไปว่าโจรกลุ่มใหญ่ดูดักอยู่ในป่าตรงพงไพในระหว่างกรุงราชคือกรุงสาวรรถิประชาชนทํามาค้าขายสองเมืองก็เดือดร้อนเลยที เขาก็ไปฟ้องประราชาเมื่อพระราชาส่งทหารตำรวจเข้าไปโจนก็เผ็ดหนีซะเผห น, นีซะจับไม่ได้สักทีแต่คราวนี้พระเจ้าราตรูเอาจริงทีนีเออเอาจริงแล้วก็มีโจนกลุ่มนะั้นะโจรกลุ่มหรนั่นะมีชายหนุ่มคนหนึ่งกุงราชคก์นะเออเป็นคนรูปร่างอายุอายุสิปีกำลังวัยขนองฮนะกลังวัยขนองเข้าไปสมัคร S <S เข้าไปสมัครเป็นโจรห้าร้อยกับเขากันนะเข้าไปกับไปไปหารองหัวหน้ารองท่านรองครับผมท่านว่าท่านเป็นเป็นรองเพราะว่าในกลุ่มโจรห้าร้อยก็มีหมู่พักพวกของตัวเองเอของตอนเองมีอยู่ก็เลยเข้าไปหาพักพวกพักพวกเขาก็เลยแนะนำไปหารองหัวหน้ า, าท่านรองหัวหน้าตอนนี้เข้าไปหาท่านรองครับผมขอมาสมัครพักพวกเป็นหมู่พวก พวกท่านครับทางรองหัวหน้าเนี่ยก็มองดูโอ้โดีเข้าไปก็เลยพลนิบัติไงอุปถัมปัทภขยับไปทางไหนเลยไปว่านายตเตลิดหนวดแดงนี่ทำหมดทุกอย่างช่วยหมดทุกอย่างเลยเป็นที่พอใจของรองหัวหน้าเนยเอออันนี้นิสัยดีวะไอ้ น, นี่วะรู้สึกว่าช่วยเหลือเอจ้านายรู้สึกช่วยเหลือเราดีมาก เ, เป็นที่พอใจของรองหัวหน้าน ก็เลยแตล่ลองหัวหน้าจะรับไม่ได้ต้องไปหาหัวหน้าก่อนต่นนั้นก็เลยพานายตาเหลือหนวดแดกอายุสิบดิบปดปีกาลังวัยขนองเนะ่เข้าไปหาหัวหน้าใหญ่พอหัวหน้าครับเนี่เด็กคนนี้นะ่ะเขาจะมาเป็นเขามาเป็นสมัครพรรคพวกกับพวกเราครับขอท่านรับเขาไว้เป็นพรรคพวกของเรานายหัวหน้านายโจนที่เป็นหัวหน้าโจนมองดู มองดูนายตาเหลือหนวดแดงใช่ไหมพอมองดูแลเออไอ้ น, นี้เป็นการักกินีถ้าหาวัง เ, เป็นภาษาจีนเขาบอกหัวเห้งหัวเห้งไม่เข้าท่าแลว้วแบนั้นเถอะลุก ด, ดูลักษณะอย่างนี้หัวเห้งไม่เข้าท่าเลยตาเหลือด้วยทั้งหนวดแดงด้วยอันนี้ไม่เป็นมิดเป็นไม่เป็นมิรเป็นสหายกับใครละไอ้ น, นี่นะหัวหน้าบอกเอ้ไม่รับไปไม่ออก ออกไปไม่รับทางหทางรองหัวหน้าเจ้านายครับเขานินใสดีนะครับค อ, อยู่นินใสยดีอา้าวดีไม่ดีก็ไม่รับไปคือหัวหน้าเนี่ยมองดูแล้วมันตาเลอหนวดแดงมันจะไม่เข้าใครมันจะไม่เป็นมิตรเป็นสหายกับใครถ้าเมื่อมีโอกาสมันจะฆ่าได้ทุกคนลักษณะอย่างนั้นนะคือหัวหน้าก่อนที่เขาจะเลือกลูกน้องเขาก็ดูอีกมั้งกันนะดูหัวแห้งเหมือนกันนะ หัวแห้งมันดีไหมดูลักษณะดีไหมคนคนนี้นะ่ะจะเป็นผู้มีเมตตาไหมจะเป็นผู้มี เ, เด็ดขาดไหมฟังเชื่อฟังหัวหน้าไหมอะไรหลายๆอย่างเนี่ยโจรเขาก็มีมีอันนั้นเหมือนกันนะดูหัวแห้งเหมือนกันทัก่อนที่จะรับลูกน้องนะเขาก็ไปลูกน้องไม่รับแต่นี้ก็อันนี้ก็เอาลูกน้องออกมาออกลงมาลูกน้าลูกน้องก่อดูแลปนิบัติอย่างดีอีกเข้าไปอีกครั้งที่สอง ครั้งที่สองหัวหน้าเออไม่รับอย่ามายุ่งไปเอาไปพอเอาไปครั้งที่สามพอมาอยู่อีกอเด็กคนนี้ดีน่ยลองหัวหน้าเลยพอเอาไปอีกหัวหน้าเออครับถ้าหากว่าท่านว่าเป็นลูกเป็นคนดีก็ท่านก็รับเป็นลูกน้องท่านก็แล้วกันนะเราไม่รับว่าเป็นลูกน้องของเราไปให้ท่านคนให้รับเป็นลูกน้องของท่านนะครับไปไหนเพราะว่าลองหัวหน้าเป็นที่พอใจอย่างมากกับ นายตาเหลือหนวดแดงปนิบัติล่วอดูแลอุปถัมภะถาคขยับไปที่ไหนไปว่ารู้ใจกันว่ากันนะอ่ะจากนั้นก็อยู่ต่อมาต่อมาเลพระเจ้าอัสาสเทรตรูเห็นว่ามันกลุ่มโจรเหล่านี้น เ, ดนเดือดร้อนในการทํามาค้าขายระหว่างประเทศพระเจ้าอัสซาสตรู ก, ก็เลยยกทหารตำรวจมีเท่าไหร่มาล้อมดักหลักดักล้อมรอบ ม, มาอยู่ในป่าดงนาะมดอยู่ในป่าดงนั้น จับนั่นกับพอโจรหมดเลยกับกลูเข้าไปกัไปป้นพ่อค้าเนีพอป้นพ่อค้าเนี่ ย, ายทางตำรวจทหารเขาค่อยสัญญาณกันอ้าวล้อมก็เล่นล้อมจับโจรห้าร้อนันาดได้ทั้งหมดเลยทีนี้ได้ทั้งในตาเหลือดหนวดแดงได้ทั้งหัวหน้าทั้งกทุกล้อบริวารทั้งหลายทั้งปวงของโจรจับได้หมดเลย พอจบจับมาเนี่ยเขาก็ใส่คือใส่คาเนี่ยคือใส่คือใส่คาก็คือมีกระโหลกไม้ไผ่สมัยก่อนนะเขาก็ใส่ในคอแล้วก็ใส่แขนจากนั้นตายตาเลอหนวดแดงเขาก็มาอยู่ในกลุ่มนั้นคเหมือนกันถูกจับเหมือนกันจังโจร500ร้อยนะท่านั้นก็ใส่คือใส่คามัดแขนไผ่หลังทั้งหมดเลยแต่ในช่วงนั้นนะพระเจ้า โกงราษฎร์จะคือนะ เ, อเขาขาดเพชรสกาด เ, าเพชรสกาดมือหนึ่งเขาขาดเขาก็เลยประกาศหาเพชรสกาดอยู่แต่ยังไม่ได้พอจับโจรห้าร้อยนิมาได้มานะ่ยพอจับมาเขาก็เขาก็เอาโจรเหล่านี้นะเป็นเพชรสกาดเขาเขาเลยถามว่าหัวหน้าถ้าหากว่าผู้ใดก็ตามอายอมฆ่าหมูทั้งหมด ผู้นั้นจะเป็นเพชฌฆาตเป็นเพชฌฆาตหลวงเอาให้ท่านค่าดูพวกเพื่อนทั้งห้าอยเลสี่ร้อยก้าสิบเก้าคนยให้ท่านเป็นผู้ประหารเลยแล้วก็ท่านจะได้เป็นหัวหน้า เ, าเป็นเพชฌฆาตโคดเพชฌาตหลวงท่านจะไม่มีโทษอะไรเลยเองยกให้ทางหัวหน้าใหญ่เขาบอกโอ้ยผมไม่เอาครับผมขอยอมตายครับผมฆ่าลูกน้องไม่ได้ครับ ถ้าจะให้ฆ่าลูกน้องผมตายเลยครับผมไม่ฆ่าครับถ้ารองหัวหน้าเอ้าจะาลองหัวหน้ า, า, ว, นาว่ายง่ายลองหัวหน้าบอกไม่ครับผมข้าวหมูพวกเพื่อนไม่ได้ครับผมขอตายครับแปลว่าไ อ, อ, อ้โจรหนะ้าอยหน่อยสีคนไล่เลียงเลียงเลียงเียงไปจนถึงจนถึงนายตาเหลือหนวดแดงไงนะพอถึงนายตาเหลือหนวดแดงเอ้า เธอจะเป็นเพชฌฆาตได้ไหมถ้าเพลเป็นเพชฌฆาตแปลว่าความผิดทั้งหลายทั้งปวงยกให้ไม่มีโทษเลยแล้วก็เป็นเพชรฆาตหลวงต่อไปเอ่อนายตาเหลือหนวดแดงได้ครับผมนายตาเหลือหนวดแดงรับเลยทีนี้พอรับขึ้นมาแล้วก็อเ อ, อ่เขาก็เอาดาบให้เลยงั้นนะไปกับซั์หัวหน้าก่อนเลยแล้วงั้นเคอขาดกระจุยเลย ลองหัวหน้าคอขาดกระโจยตัดไปเรื่อยๆในวันนั้นตัดไป499คนตัดคอโจนด้วยกันจากนั้นนายตาเหลินหนวดแดงก็ทําหน้าที่เพชฌฆาตนะท่านนี้ห้าคนบ้างห้าทีละสองสามคนบ้าง10บ20ี่คนบ้างที่เขาจับมาเท่าไหร่นายตาเหลิหนวดแดงเนี่ก็เป็นเพชฌขาดตั้งแต่อายุ18ปีจนถึงอายุ45ปีนานเท่าไหร่ล่ะทนนี้ เออเป็นเป็นเพชรข้าศ์ประจำเมืองกรุงราชคือพอต่อมาที่นี่นายตาเลิอหนวดแดงแก่ที่นี่พอนายตาเลิอหนวดแดงแก่เขาเอานักโทษมาให้ประหารพอมาตัดประหารกับเหมือนกับนี่แหละท่านอาจารย์พ่อครูจัมรัดอยากจะให้หลวงพ่อไปตัดไปตัดเสาลูกนิมิตเหงือนกันพอพอจับนักโทษมาแล้วก็เอา้านายตาเลิอหนวดแดงว่าประหาร นายตาเหลือตัวแดงกับมาอายุมันแก่ใช่ไหมมันหมดกําลังคงจะกินเหล้าพอแรงแล้วไหมตัวผอมๆใช่ไหมพอตัดคอเออไปตัดคอนักโทษโทษนะพอตัดชึกเข้าไปเออนักโทษมันก็ร้องเลยมคอมันไปขาดทีเดียวใช่ไหมมาก็ร้องอ๋อชกที่สองชึกที่จามจ่อจนกว่าคอนักโทษจะขาดไปไอ้คนที่ดูนะ โ, โ, โอ้โหอดหูดูได้ถ้ามันขาด ที่เดียวมันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมนี่นายตาเหลือหนวดแดงซัดแล้วสัดอีกตั้งสี่หทีเนยะคอคนจะขาดพอตัดแต่ละครั้งมันร้องโอ้โอเค ม, มันมันตัดคอคนใช่ไหมล่ะไอคนที่มองดูนี่ก็โอ้อดสูดูได้ไม่ได้ลนะควรจะปลดตําแหนง่งนายตาเหลือหนวดแดงควรจะหาคนใหม่มาแทนนายตาเหลือหนวดแดงเลยเพราะมันอายุมากแล้วมันอายุแก่แล้วหมดหมดกําลังแล้วนะ จากนั้นเพาก็เลยเสนอทางพระเจ้าแผ่นดินเสนอเสนอขึ้นไปหน่วยเหนือขอปลดตำแหน่งเพชฌขาดคนนี้เพราะว่าอายุมากแล้ว เ, เวลาตัดคอคนมันไม่ตัดคอไม่ขาดทีเดียวทำให้มองมองดูแล้วก็ไม่เป็นที่ไม่เป็นที่สบายใจคนแต่ตา ย, ยก็ร้องโอดอวยจนพอล่งดูดูแล้วก็น่า เ, เวทนาเป็นอย่างมากขอปลด ตำแหน่งของเพชฌฆาตพอเสนอขึ้นไปก็เลยเอาโปดก็ปดพอโปดขึ้นมาแล้วก็เขาก็สั่งโปรดสั่งปลดเพชฌฆาตเฉยพอสั่งโปดเขาก็ต้องให้บำเห น, น็จซะก่อนใช่ไหมละ่ะ เ, เพราะรางวัลการทํางานมาถึงอายุ18ปีถึงอายุ4ี่สปีเขาก็เลยให้รางวัลรางวัลก้อนหนึ่งละ่ะ เ, เพื่อไปเลี้ยงครอบครัวแต่ในวันนั้นนายตาเหลือดหมวดแดงก็ได้เงินก้อนหนึ่งมาถึ พอมาได้เงินก้อนหนึ่งมาก็มาก็บอกคุยกับภรรยาอะไรสิคงจะไม่มีลูกมั้งไหนตเตลอดโดดแรงคงไม่มีลูกเขาเอ๋แม่บ้านยอดที่รักอย่งนั้นผมหมดหน้าที่ตําแหน่งแล้วนะเขาปลดผมออกจากตําแหน่งเพชฌฆาดแล้วต่อไปนี้พวกเราคงจะไม่ได้เงินค่ารางวัลค่าประหารคนละมละีเงินนี้เป็นเงินก้อนจุดท้ายเราควรจะเลี้ยงอาหารเรลิศรส เลือดลดให้ไปจัดอาหารมาเลี้ยงกันกินอิม่มกินอาหารเลือดรดวันนี้พวกว่าเป็นการเฉลิมฉลองว่าเรากรเกษียณอายุการทำงานของเราทางแม่บ้านก็รับปากเขากลยไปซื้อพวกของทำขนมคนสมัยนั้นเขาเรียกว่าข้าวทำข้าวมัตุปายาตน้ำน้อยเข า, านะเอออันนี้คืออาหารเลือดลด ในสมัยนั้นแต่ทุกวันนี้คงจะเป็นอย่างบ้พระกระโดดกำแพงบ้างหูฉลามบ้างคงจะเป็นลักษณะอย่างนั้นแหละ อ, อาหารเรรลิศรสนะราคาแพงๆแพงๆที่สุดนะเยจากนั้นก็แม่บ้านเขาก็ทำอาหารเรรลิศรสกินสองสามีภรรยาพอทำเสร็จแล้วนี่พอตื่นเช้ามานายตาเหลือหนวดแดง่วันนี้ไม่ได้ทำงานะไม่ได้ตามงาน เขาเลยไปอาบน้ําไปอาบน้ําแต่เป็นสมัยเดี๋ยวสมัยนั้นมันมีน้ำป่าใช่ไหมน้ํำในบ้านไม่มีเขาต้องไปอาบน้ํำในท่าน้ําคือแม่น้ําอเจรกวดีเนี่ยที่เป็นแม่น้ําเขาไปอาบน้ําทั้งแม่บ้านก็ทําอาหารอาหารรลิศรสอย่างที่ว่านี่เข้ามัรทุกป่ายาดน้ำน้อยพอทําเสร็จแล้วเขาก็รอแต่พ่อบ้านแต่แม่บ้านก็ทําเสร็จแล้วก็ทานอาหารละ ใครทําเสร็จก่อนกินก่อนลักษณะอย่างนั้นจากนั้นนายตาเหลอโหนดแดงไปอาบน้ําพ่อไปอาบน้ํากลับมากําลังเดินมาวันนั้นภาษาริบุตรเถระที่เป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้าสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายทางด้านด้านปัญญา เป็นผู้มีปัญญาเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในศาสนาของพุทธเจ้ว่าเป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นสาวกข้างขวานะแต่ได้ท่านเข้าที่โรดจะมาบัดจุดเจ็วันท่านไม่ได้ฉันอาหารนะท่านไม่ได้ฉันอาหารเข้าที่โลดจะมาบัดมาบัดนั่งเหมือนพระพุทธรูปนั่งอยู่ในนี้แหละท่านนั่งเน่งเจวันพอจากนั้นมาเจดวันท่านเข้าไปอะไรเข้าที่โลดจะมาบัด คือขัน้นท่านเข้าสวยวิมุตติสุขคือถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นง่ายๆได้ฟังง่ายๆก็คือร่างกายของท่านเหมือนกับรถอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเหมือนกับรถแต่เมื่อท่านเข้าสมาธิที่ไหท่านก็ไปจอดรถไว้ในเต็นท์หรือว่าที่ปลอดภัยพอจอดรถเสร็จแล้วท่านก็ไม่ได้ดับเครื่องมันไว้นะท่านก็ติดเครื่องน้อยชึ้งชึชึงช้งชึงชงชงชง้แต่โจแต่โซเฟอร์รถ เข้าไปาเข้าไปเที่ยวห้างสัพพิสินค้าไปชมห้างสัพพิสินค้าไปดูห้างพระสิบค้ามีอะไรบ้างเจ็ดวันนะไปชมห้างสัพพิสินค้าอยู่เจวันจากนั้นท่านก็กลับมหารถพอกลับมหารถท่านก็จะตัดแล้วแตรถจะตอยู่แล้วใช่ไหท่านก็ขับรถออกมานะธรรมดาจอดรถทั้7เจ็ดวันนะเป็นยังไงน้ำมันก็พองเอออะไรมันก็พ่องไปทั้งหมดเพราะมัน สตาร์ทเครื่องดับไม่เครื่องไม่ดับอ7เจวันนี้ก็เหมือนกันนะพระอระหันต์ท่านเข้านิโรธสมาบัติพอเข้านั่งสมาธิเข้าสมาบัติแล้วดวงพระไทยใจอันบริสุทธิ์ของท่านก็เข้าไปชมวิมุตติสุขท่านเดกท่านพูดตามภาษาบาลีว่าอุ ป, ปาทิเสสนิพานคือเข้าชมพระนิพพานเมื่อยังมีชีวิตอยู่ถ้าหากว่าตายตายไปแล้วก็เข้าสุนิพพานแล้ว อนุปาอยาอะนุปาที่เสสนิพานคือเข้าพฏิพานเมื่อตายแล้วแต่นี้ถ้าหากว่ายังมีชีวิตอยู่เรียกว่าอุปาเออให้ฟังอุปาอันุปาอนุป า, อ, ปาอุปาเนี่ยนี่เรียกว่าอุป า, าทิเสสนิพานคือเข้าไ ป, ไปชมพระนิพานเมื่อยังมีชีวิตอยู่จากนั้นภาษาริบู ท, ท่านก็เข้าไปชมนิพานเจดวันจากนั้นท่านก็ามาร่างของท่าน พอเข้ามาร่างของท่านก็ออกมาท่านก็หิวอะท่นี่หิวอาหารหิวน้ําหิวอะไรทุกอย่างจัดแน่นท่านก่อเอ๊ใครน่าจะทําบุญกับเราในวันนี้นะท่านก็มองไปมองมาไปเห็นนายตาเหลอหนวดแดงนี่เอ๊นายตาเหลือหนวดแดงนะี่เ อ, เ อ, ดดนะเอ๊มันจะทําบุญไหมนะี่เพราะคงจะเป็นอุปนิสัยอุปนิสัยเกี่ยวเนื่องกันนะท่านจะมองเห็นได้นะถ้าอย่างนั้นคงจะมองไม่เห็นนายตาเหลอหนวดแดง แต่นั้นท่านก็บอกเอ๊นายตาเหลือมันจะมันจะทำบุญไหมวันนี้ท่านก็มียาลัทธิธรรมใช่ไหมท่านมีฌานท่านโอ้มันทำบุญได้อยู่มันใจสปอร์ตจุ่มไปทำบุญไปรับอาหารกับมันของได้วันนี้จากนั้นภาษาลิบบดก็ออกจากนิโรธสมาบัติเพี้ก็เหาะมาเลยเหาะมาแลยก็เดินมาอยู่ที่มุมหนึ่งท่านก็เดินออกมาพอเดินออกมาก็นายตาเหลือหนวดแดงไปอาบน้ําช่ไห อาบน้ําก็เดินทางสวนเข้ามาก็มามาเห็นพระสารีบุตรกําลังเดินทางออกไปสวนทางออกไปนายตาเลอโนดแดงก็ถามว่าพระคุณท่านได้อาหารหรือยังคือพระบิณฑบาต ท, ท่านจะไม่ตอบนะได้ไม่ได้ท่านก็ไม่บอกท่านก็เฉยขอเปิดบาตรด้วยสิปฐุมพระคุณท่านพระสารีบุตรก็เลยเปิดบาตรให้ดูพอเปิดบาตรให้ดูโอ้ท่านยังไม่ได้อาหารเลยนี่มตีมณีม ไอ้ตามหลังผม อ, อ, อาหารผมผมจะทำบุญภาษาภาษารีบุกก็กลับหลังก็เดินตามหลังนายตาเหลือหนวดแดงพอมาถึงนายตาเหลือหนวดแดงก็ถามว่าแม่บ้านไม่บ้านอาหารของผมยังเหลือมามยังมีไหมแม่ว่านเขามีโยเตรียมไว้อยู่เออเอามาว่าม า, ามาให้ผม เ, เขาก็ยกอาหารสำรับนั่นของนายตาเหลือหนวดแดง มาให้นายตะเล่นายตะเล่ก็ซาตูเรกัผมขอทําบุญเออขอทําบุญเออจากนั้นก็ขอพระคุณเจ้าเปิดบ่าภาษาริบุตก็เปิดบ่าใช่ไหมเออพอเปิดบ่าเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วภาษาลิบุตก็เออนายตาเล่หนวดแต่ก็เขี่ยอาหารที่ในจานของต้นใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ลงไปอาหารคนคนเดียวใช่ไหมล่ะภาษาริบุตรพอเขี่ยได้ครึ่งหนึ่ง ภาษาลิบุตรก็ปิดบาด อ, อันนั้นอ่อโยมกินซะอาตมาเอาครึ่งหนึ่งก็พอแล้วล่ะตายต า, ยตายเหลือโดแดงโอ้ยอาหารนี้เป็นอาหารคนคนเดียวพระคุณท่านผมจะถวายทั้งบทไม่มีส่วนเศษส่วนเศษส่วนเหลือเลยล่ะถวายพระคุณท่านองค์เดียวให้ท่านพระองค์ท่านฉันให้ผมซะภาษาลิบุตรก็เปิดบาดอีกท่านก็ใส่เข้าไปพอใส่เข้าไปแล้วทีนี้ภาษาลิบุตรเอ เราจะไปฉันที่ไหนเนี่ยนายตะเหลหนวดแดงก็บอกว่าขอเนี่ขึ้นไปฉันที่บ้านผมก่อนก็ได้ครับผมบ้านผมว่างอยู่ไม่มีใครนายตะเหลินวดแดงก็ขึ้นไปปูอาชนะพอปูอาชนะเสร็จเรียบร้อยแล้วภาษาไรบูตรก่อนนั่งฉันอาหารอพอนั่งฉันอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วพอนั่งฉันอาหารไปได้ครึ่งหนึ่งภาษาไรบูตร ถ้าเราจะแสดงทําให้ตาเหลือหนวดแดงฟังนี่ถ้านายตาเหลือหนวดแดงมันยังหิวอยู่หิวอาหารอยู่มันคงจะไม่ตั้งใจฟังทำ อ, อ, อย่างพวกเราท่านทั้งหลายถ้าหิวหิวมาเนี่ยมีพระเทศให้ฟังเิมันเป็นยังไงมันก็คงจะโมโหได้ใจขึ้กันเลยนะเพราะอะไรเพราะมันหิวอาหารอยู่ทําไมพูดยาวนักกว่แต่พวกเราทานอาหารจิ่มแล้วอย่างนี้นะหลวงพ่อพูดยาวพวกเราคงจะฟอนออรับไหวอยู่นะ ที่นายตาเหลือดหดแดงก็ลักษณะนั้นหละพอพระสาราิบุตรฉันไปได้ครึ่งหนึ่งอาหารท่านก็แล้วออกมาเอานายนะตาเหลือดโหนดแดงเอาทานอาหารซะท่านก็คงจะไม่คงจะไม่ใช่ว่านายตาเหลือดโหดแดงอย่างที่หลวงพ่อพูดนะแต่เออาโยมทานอาหารซะท่านคงจะว่าอย่างงั้นแหละจากนั้นนายตาเหลือดโหนดแดงก็ทานอาหารพอทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วพระสาราีบุตรเอาฟัง เราจะพูดอะไรให้ฟังภาษาริบุตก็นั่งแสดงธรรมให้ฟังบอกว่านายโคนยอมการเกิดมาเกิดมาทั้งทีชีวิตได้พบพระพธศาสนาหลักษานะอย่างนั้นะให้ประกอบคุณงามความดีสิ่งั้นที่ริงไหนที่มันไม่ดีอย่าไปทำอย่าไปฆ่าสัตว์ให้มีศีลห้าอย่าไปฆ่าสัตว์อย่าไป ข, มไป ข, ไปขโมยทรัพย์อย่าไปประพฤติพิษใน พืชผิดในการอย่าไปโกหกอย่าไปดื่มสุรามันไม่ดีเพราะนั้นเป็นบาปอกุศลในเมื่อเขามาฆ่าเราเราไปฆ่าเขาเขามีความรู้สึกยังไงในเมื่อเขามาฆ่าเราในเมื่อเราไปฆ่าเขาในช่ไม่เป็นไรเราไปฆ่าเขาแต่เมื่อไรเขามาฆ่าเราเรามีความรู้สึกอย่างไรในเมื่อเราไปขโมยของเขาเขามาขโมยของเราเรามีความรู้สึกอย่างไร ในเมื่อเราไปไประพฤติละลาบละลวงในสามีภรรยาคนอื่นเขาเขามากระทาให้กับเราเรามีความรู้สึกยังไงเขามีความรู้สึกยังไงในเมื่อเราไปต้มตุนหลอกลวงโกหกเขาเขามีความรู้สึกยังไงในเมื่อเขามาก้มต้มตุนโกหกเราเรามีความรู้สึกอย่างไาาางแอให้คิดดูสินห้าไม่ใช่อยู่ไกลนะเขาเราและข้ินข้อที่ห้าอย่าไปดื่มสุราถ้าดื่มสุราเมลัยเข้าไปแล้ว คัญชายาฟิ่นเฮโดอินจะมีชื่อหรือไม่มีชื่อก็ตามสิ่งนั้นถ้าเสพก็ดื่มเข้าไปแล้วขาดจิเมื่อคนขาดจิตแล้วทำความชั่วในทุกอย่างฆ่าใครก็ได้ขโมยใครก็ได้ ร, ระลาบระลวงในสามีภรรยายของใครก็ได้โกหกใครก็ได้ต้มตุนหลอกลวงใครก็ได้เพราะคนขาดจิตเพราะฉะนั้นศินห้าหลวงพ่ อ, อเลยบอกเออสินห้านี่ินข้อที่ห้าเนี่คือศินหลังคาศาลาหลังคาโบส์หลังค า, าวิหารหลังคาบ้าน ถ้าบ้านหลังใดก็ตามไม่มีหลังคาฝนตกก็เปียกแดดออกก็ร้อนอยู่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่มีหลังคาเนี้ยก็เหมือนกันศีนข้อที่5คือสินหลังคาบ้านหลังคาวิหารหลังคาโบสถ์ถ้าคนใดก็ตามขาดสติคนขาดสติคือครูคนเป็นบ้าถ้าคนเป็นบ้าแล้วน่ะคนขาดสติแล้วทำความชั่วในทุกอย่างขาดการยาขาดการยับยั้ง ขาดการยั้งคิดเพราะอะไรเพราะคนเป็นบ้าคนที่เป็นบ้านะียซึ่งจะมียศฐานบรรดาศักสูงขนาดไหนก็ตามล่ารวยขนาดไหนก็ตามมีเป็นเป็นที่เชิดหน้าชูตาต่อคนในสังคมชุมชนสังคมหลังๆมาก็ตามถ้าคนนั้นเป็นบ้าแะอย่างเดียวนะหมดหมดท่าหมดทางหมดคุณค่านี่แหละสี่ข้อที่ห้าพวกเราจะไปมองข้าม ทำให้คนเสียเสียทุกอย่างเลยถ้าคนเป็นบ้านะ น, นั่นคือศินห้าของพระพุทธเจ้านะจากนั้นพระภาษาริบุทท่านกระเทศแนวอริยสัจสีทุกสมุทัยนิโรธมักให้ให้ให้นายให้ใ ห, ให้ให้โยมตายเล่หนวดแดงฟังนายตาเล่ตัวดแดงได้ฟังแล้วโอ้ตายทำคำสอนของท่านเป็นพูดถูกพูดถูกต้องจริงๆแต่ ชีวิตของเราแต่ตั้งแต่อายุ18ปีมาจนถึง45บ้าปีนี่เราฆ่ามนุษย์ไปลวกกี่ร้อยกี่พันคนแล้วโอ้ตายเราจะทำทำยังไงจะทำได้ยังพระคุณท่านอธิบายธรรมะให้ฟังเราเนี่ยคงจะไปนรกหลุมไหนก็ไม่รู้ในขณะที่ฟังเขาใจของเขาสับสนเ่ยคล้ายๆว่าปงไม่ตกสับสนอย่างแรงพอระลึกถึงขุดงามความดีของตนเอง ราษาเรบูรเห็นแล้ ว, ว่ากระซับกระสาสเลยท่านนเออกรับกระใไม่ยอมไม่ฟังฟังธรรมไม่ออกเลยท่านนี่เพราะว่าเขาคิดหนักนะเขาคิดถึงอดีตของเขาที่ทั้งเขาเคยทากรรมชั่วมาก่อนภาษาเรบุตรบอกว่ายมอดีตที่ผ่านมาแล้วมันผ่านมาแล้วมันแก้ไขไม่ได้แล้วอนาคตที่ยังไม่ถึงนะั่นะมันก็ยังไม่ถึงมันดีมันชั่วเราก็ยังทาอะไรไม่ได้ ปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้แหละโยมต้องเป็นคนดีต้องตั้งใจให้มั่นต้องอยูสติอยู่ในปัจจุบันฟังตั้งใจฟังอาตมาจะแสดงทําให้ฟังโยมตาเลอหนวดแดงตั้งใจมีสติอยู่กับตัวเองทีนี้ภาษาเรือบุก็เทศให้ฟังเขาได้สําเร็จเป็นพระโสดาบันแล้วทีนี้ออพอได้ไปสอบพระเสร็จพอได้สําเร็จพระโสดาบันเสร็จแล้วภาษาเรบุกโอ้โห เ, เขา ผลจากบาป ก, กรรมเป็นบางส่วนละเอาละเรายกระดับเขาขึ้นในระดับหนึ่งเป็นพระโสดาบันแล้วเอาละเอาแล้วนะบัดนี้นะโยมนะอาตมาจะไปแล้วนะนายตาเลือนูแดงเป็นพระโสดาบันเป็นผู้มีใจิตใจมั่นคงเลยนะก็ตามตามส่งภาษาเลขบุตรพอตามไปส่งไปแล้วก็ ก, กลับมาพอกลับมาก็ไม่ได้มองหนทางเดินของตนเองงูเห่าก็เลยฉก งูเห่ากัดเพราะงั้นน่ะนายตาเหลิหนหัวดแดงก็เลยตายตายในเดียวนั้นเขาคงจะไปสู่สวรรค์เพราะพระโสดาบันไม่ตกนรกนะคณะทายาทโยมลูกหลานเขาจะเกิดสมชาติเกิดหนึ่งชาติเอเ ก, เอกพิชีหนึ่งหนึ่งชาติโกลังโกรังสามชาติจัตตุคตธรรมนเจ็ดชาติเขาจะเกิดอย่างมากให้เกินเจชาติก็จะได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์นี่น่ะนายตาเหลิหนหัวดแดง ถึงเขาจะทําบาปกรรมมากแต่เขาก็ได้ทําบุญกับ พ, ะพะ ร, บระพระษารรบุตรเถระที่ออกจากนิโรธจมาบัติและก็ได้ฟังพระธรรมเทศนาของท่านด้วยได้สําเร็จเป็นพระอรห์ได้สําเร็จพระโสดาบันนายตาเหลือหนวดแดงแต่เขาจะใช้ชีวิตอยู่ เ, เขาจะเป็นรัฐพระโสดาบันระดับไหนเอกพีชื่อแล้วกลังโกละสตุก ข, ขตะประมะ ท่านเขาไม่ได้พูดไว้ในพระไตรปิฎกนะแต่ถึงยังไงก็ตามไม่เกินเจชาตินะ่ะเพราะนั้นท่านก็รู้สึกว่านายตาเ ล, าเลนหมวดแดงนะเป็นได้กัลยาณมิตรที่ดีได้บัณฑิตนักปราชญ์มาแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวนี่แหละทำบุญท่านทำบุญมากแต่ล้างบาปล้างบาปได้นะถ้าทํามากนะถ้าทําไม่มากล้างบาปล้างบุลงบญล้างบาปไม่ได้นะ พระนั่งออให้พวกเราทุกๆกท่านนะหลวงพ่อมาพูดจุดนี้ก็คือทําบุญล้างบาปได้ไหมแล้วก็พร้อมกันเมื่อหลุงพ่ออายุแก่แล้วนะไปตัดลูกนิมิตกลัวจะตัดไม่ขาดเหมือนกับนายตาเหลือหนวดแดงตัดขอคนนะตัดแล้วตัดอีกตัดทา ญ, ญาติโยมทั้งหลายโคงจะ่างคิดในใจว่าหลวงพ่ออินแก่แล้วทําไมไปหาตัดทําไมลูกนิมิตตัดที่กี่ทีกงไม่ขาดเขาจะว่าอย่างนั้นอีกนะหลวงพ่อก็เลยไม่ไปเลยให้สวจิตเป็นผู้ตัดแทน เอาวันนี้หลวงพ่อได้กล่าวเรื่องนิทานหรือชาดกมาในพระไตรปิฎกให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษานะให้เรียนรู้ว่าบาปปูนคุณโทษมีจริงนรกนร ก, กมีสวรรค์มีจริงกรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่ากรรมชั่วเมื่อทำลงไปแล้วกรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังนะการกล่าวสมโภชในยกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอจุติ ในการพูดไวเพียงเท่านี้